บรรดาลูกลักขั้งหลายสําหรับวันนี้พ่อก็ขอคุยเรื่องของพระเจ้าพรหมต่อไปแต่เรื่องราวของพระเจ้าพรหมมหาราชนี้ถ้าบาังเอิญจะ พ, าพลาดครั้งไป บ, บ้างก็ขอลูกจะให้อภัยแก่พ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนแก่จงจะลืมว่าเวลานี้เราพูดถึง อดีตของบรรดาบรรพบุรรษไทยแต่ได้ว่าทั้งท่านทั้งหลายที่กล่าวนามมาแล้วข้อต้นทั้งหมดแล้วก็เบื้องหลังทั้งหมดเวลานี้ชีวิตของท่านไม่มีอยู่แล้วในช่วงนี้เรามาคุยกันถึงแดนของพธาตุจองกิตติซึ่งเป็นโยนกนกครเก่ากำแพงเมืองยังไม่อยู่ แต่ได้ว่ากำแพงก็ไม่เป็นกำแพงเมืองที่เต็มปด้วยความสวยสดงดงามก็ไม่มีอยู่แล้วและในสุดคนทั้งหมดก็ตายไปหมดแต่พ่อก็ไม่แน่ใจนักว่าคนทั้งหมดที่ตายเวลานั้นมานั่งอยู่ที่วงในร่วมการคุยกับพวกเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ รวมความแล้วบรรดาลูกรักทั้งหลายทั้งหมดจงอย่าเอาจิตไปติดในวัตถุวัตถุที่มีความสำคัญที่สุดก็คือร่างกายของเราที่เราเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราในความจริงมันไม่ใช่พ่อมองดูหน้าลูกรักทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ พ่อคิดว่าลูกทุกคนคงจะเกิดในสมัยนั้นแล้วก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย <c oughs> มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างและในที่สุดก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็มาเป็นคนสมัยนี้ นี่เป็นความรู้สึกของพ่ออย่างเดียวพ่อไม่ยืนยัน <c oughs> แต่ว่าถ้าถึ้งยังไงก็ดีเราก็คงเกิดกันมาหลายวาระในการเกิดแล้วตายตา ย, ตายแล้วก็เกิดเกิดแต่ชาติก็มีความทุกข์มีภาระในการปกครองมีภาระในการบริหารในการเกิดทุกครั้งเราก็หวังความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต แต่แล้วในที่สุดจึงไ้หลายเรานั่งก็หมดไปฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทันหลายที่ได้พิญญาสมาบัติละวิชาสามจงใช้พิญญาสมาบัติละวิชาสามมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวการที่เที่ยวไปดูพบดูชาติต่างๆเป็นของดีแต่ก็จงอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งกับโล ก, กีวิสยัยคือความโลภเพื่อความโกรธ ทิว่าชนชาตินั้นเคยเป็นศัตรูของเราชนชาตินี้เคยเป็นมิตรของเรานั่นเป็นทรัพย์สินของเรานี่เป็นทรัพย์สินของเราอย่างกับพวกคนที่มิวปาทานกินมาว่าคนนั้นชาตินั้นเคยเป็นพัญญาของฉันชาตินี้ฉันเคยเป็นพระราชาเธอเคยเป็นพัญญาของฉันมาก่อนเคยเป็นเธอเคยเป็นสามีของฉันมาก่อนเธอจะไปไหนไม่ได้ พ่ ค, คิดว่านั่นเป็นอารมณ์ความบ้ามากกว่าเรื่องของคนลชาติมันเป็นเรื่องของคนลชาติจะมาบวกกับชาตินี้ไม่ได้เขาลูกจงยาติดอาการอย่างนั้นสแสดงแค้าการติดความหนักกินเลยคือตัณหาเป็นสําคัญและมียวิชาเป็นเบื้องหน้าควรอยคิดอย่างเดียวว่าเราทํำยังไงจึงจะไม่เกิด วิธีการไม่เกิดพ่อสอนลูกอยู่แล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งวิชาสามกับพิญญาที่ลูกได้นี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางที่คิ้วแนวที่แนวทางแห่งการไม่เกิดควรศึกษาความไม่เกิดเขอาไว้การไม่เกิดเราต้องเสียสละอันดับแรก เราต้องเสียสละเวลาการงานที่มีประโยชน์ของเราทํางานเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์เพื่อทอดทิ้งความอลัยในความในความห่วงใยในชีวิตแต่ถ้าว่าก็เป็นบางจุดบางเวลายัยถึงเรี่ย ง, งเสี่องเี่เกิดไปในการที่สอนสละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เห็นว่าเสียรัพย์สินทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทั้ททงหลาย ที่เรามีอยู่ในการก่อนมากกว่า น, นี้เราก็แบกไปไม่ได้เราสละทรัพย์สมบัติเป็นส่วนสาธารณะประโยชน์บ้างตามสมควรเพื่อเป็นการตัดโลภะความโลภและ เ, เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวชีวิตเกินไป่การดีสามงคนให้อภัยกับคนผิดอยากว่าเป็นอภัยทานเป็นการตัดโทสะ <c oughs> ในการที่สี่นั้นร่างกายนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่ฑสารเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ยึดถือร่างกายต่อไปไม่มีกายต่อไปต้องการคือพระนิพพานนี่แปลการตัดโมหะคือความหลงเท่านี้พอแล้วโลกรกตั้งอารมณ์อย่างว่าเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แในการสอบสวนสืบสวนนรกสวรรค์ตามความเป็นจริง การใช้ปกเพนิวาส า, ารุสติญาณเล็กชาติได้ถอยหลังก็ไปหาความเบื่ออันนี้เป็นของดีก็ไม่ห้ามแต่ว่าไปอดวิเศษพ่อไม่เห็นชอบโดยคุยกันต่อไปทังเรื่องของพรเจ้าพรหมมหาราชอาศัยที่พาเจ้าพรหมมหาราชเคยเป็นเนนมีเมตตาบารมี นื้อสายชาญที่ตนได้นี้ไปเป็นพรหมกลับมาเกิดจากพรหมจา ก, กลับมามจากพรหมกลับมาเกิดเป็นลูกชายของพระเจ้าฝังกราดลูกจะเห็นอำนาจของทานอามบรมีคือพระเจ้าพรมเป็นผู้ให้อภัยทานเป็นผู้มีเมตตาจิตคิดเพื่อแพ่ต้องการให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขโดยธรรม ระเบิการอีสองเคยเป็นเนนมีศีลบริสุทธิ์อวยกล้นความโกรธเคยเป็นเนในได้ฌานสมาบัติเพราะคิดว่าจะเป็นวิปัสสนาญาณด้วยตนนวน อ, อ, ยอนนี้ก็มาดูอนิสงส์ข้อท้ายของศีลเนื้อของทานทั้งกล่าวว่าทานนางสักกโสทานนางฐานบันไดให้ไปเกิดเป็นปัจจัยให้เนนหกิดบนสวรรค์ศีลเลนสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขสีลเลนะโภกสัสมบัตศีลเป็นปัจจัยให้มีโภกสัสมบัติมากสีเลนนิปติยันติศีลเป็นเป็นปันปนปจจัยให้ดับความทุกข์เราจะมองเห็นอานิส ง, งส์ของศีลของทานในตอนนี้ที่สามันเนนตอนนั้นไม่ใช่สามันเนนพรม้ม สมณเณรทำไปแล้วด้วยดีคือมีศีลบริสุทธิ์มีจิตเมตามตาปราณีทรงชานส ม, มาบัติมีวิปัสสนาญาณแล้วรถึงคุณพระรัตานาตรัยเป็นสำคัญน่าสมาธิจนตายตายแล้วไปเป็นพรหมนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขลงมาพร้อมได้สาชาติ พอเข้าท้องแม่ก็ปรากฏเราทรัพย์สินทั้งหลายปรากฏกรก ร, รดาประชาชนชาวไทยมากขอที่เคยหายากก็หาได้ง่ายขอที่เคยหาได้น้อยก็หาได้มากจิตใจของคนไทยทั้ชใช่กลายเป็นไทยนักสู้รวมกําลังใจกันนี่เป็นก็เป็นเรื่องขบุญบา ร, รมีที่สั่สมไว้ใครเขาเยะว่ายังไงก็จ้างเขาเถอะ เราเห็นผลของเราก็แล้วกันต่อมาเมื่อจิตอาศัยที่มีจิตใจเผื่อแผ่เมตตาลีต้องการให้คนไทยในนี้ทั้งหมดเป็นคนมีความสามคัคคีมีคนรักกันมีความสุขฉะนั้นตั้มได้เริ่มอยู่ในคันมันดาจึงปรากฏว่าคนไทยทุกคนมีความสมบูมรณสามัคคีกัน ความไม่สิ้นอะไรในชีวิตที่คิดว่าไทยทั้งชาติจะต้องตายเพราะถูกขอมทำลายก็หมดสิ้นไปแทนที่จะหมดกำลังใจกับเป็นคนไทยที่มีกำลังใจเพื่อสู้ตอนนี้ลูกรักของพ่อจะเห็นว่าคนไทยเราเมื่อถึงยามแพก็เพราะอาศัยความประมาท คิดไม่ถึงว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่กันจะมี่ค่ายเก่งฆ่ากันแลวเขาคิดจะฆ่าไทยทั้งชาติถอยมานเกือบจะไม่มีเวลาหากินต้องร่อนทองคากันแม้แต่พระเจ้าพันคราชเองก็ต้องสรงเสด็จไปร่อนทองคาเพื่อหาทองคาให้เขาให้ได้เวลาที่ธรรมาหากินของตนก็ น, น้อยเกินไปโล้วารักของพ่อ คิดถึงชีวิตความเศร้าในเวลานั้นมันเศร้าจริงๆไม่ใช่เศร้าอย่างคนหมดอะไรในชีวิตไม่คิดจะต่อสู้แต่ทางที่จะสู้มันไม่มีมาตอนนี้เมื่อพระเจ้าพรมเข้าคันมันดาอยากได้เครื่องกริยัอยากได้สันผาวุธอยากกินเลือดข้องขอมที่ติดอาวุธ แต้ว่าคนไทยมีนิสัยติดตามผู้นำถ้าผู้นำดีไทยทั้งชาติก็สามารถจะเป็นเอกราชได้ดีถ้าผู้นำชั่วไทยทั้งชาติก็จะมีแต่วความโม่หมองเราจะเห็นประวัติศาสตร์ในในอ น, นาคตทนาดิตอนาคตกันเลยกันในอนาคตอันใกล้ ที่บางครั้งที่คนไทยมีผู้นาดีเราก็มีความสุขหน้าชื่นตาบานบางครั้งบางครั้งที่มีผู้นาระยำก็หน้าเศร้าไปตามๆกันสิ่งที่จะไม่ควรเสียก็เสียสิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้แล้วก็บางทีบุคคลประเภทนั้นเขาไม่เห็นตัวเขาช่างเขาเถอะ มาคุยกันตอนนี้ว่าเมื่อพระเจ้าพรมเกิดมาแล้วเป็นเด็กที่น่ารักสวยสดเพรงยง ม, มากมรดาโหราทิบดีทั้งหลายได้พยากรณ์ไม่ว่าเด็กคนนี้มาจากพรมแล้วก็จะมาทำไทยให้เป็นไทยไทยเป็นศักดิ์ไทยจะเป็นเอกราชเจชนะขอมกำลังใจของคนก็เข้ามารวมกัน นับตะ ว, วันเกิดไปต้นมาปรากฏพืชพันธัญญาหารเกิดขึ้นมากคนไทยทุกคนมีความสุขมุ่งหน้ามองอยู่เฉพาะอย่างเดียวคือเมื่อไรหนอนเด็กคนนี้จะโตมาพอสมควรที่จะเป็นผู้นำพอที่จะเป็นผู้นำเกี่ยวกับการรบหมายความนำแล้วก็รบกันเลยคนนี้นะ ไปนั้นว่าในเมื่อต่อมาในไม่ชาที่โลกทันไหลเห็นว่าพระเจ้าพังคราชทรงแต่งตัวเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาเมื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่พอก็อุ้มลูกคนหนึ่งจงลูกอีกคนหนึ่งจงลูกก็คือลูกคนใหญ่ชื่อว่าทุกขิตะแล้วทุกขิกะทุกขิตะก็แล้วกันนะ เกิดในยามทุกลูกชายคนหนึ่งไว้จุกปากปิน่นเด็กสมัยนั่นเขานิยมกันไว้จุกดวยเปียไวแกะกันปากปิ่นทองสวยมีเครื่องล้อมล้อมจุกนั่งคือลูกเด็กชายพรหมเปน็นว่าเด็กไปที่ไหนพ่อไปที่ไหนไปไหนพ่อก็อมโลกโจงโลก ก็เป็นอันว่าคนทุกคนมีความหวังว่าเด็กคนที่โถโอุ้มนี่คือเด็กชายพรหมหรือพระเจ้าพรหมแล้วพรหมกุ ม, มารที่จะมาทําให้คนไทยมีความสุขอารมณ์ใจของคนไทยก็ชินบานนี่ไอความสุขความทุกข์จริงๆนะมันอยู่ที่ใจจะไปที่ไหนก็มีจะคนกราบคนไหว้คนบูชาเห็นไม่รู้รัก เห็นได้อย่างว่าค่าของความดีการมีศีลมีธรรมนะมีประโยชน์อย่างนี้ตอนนี้ก็ขอคุยลัดแต่ความต่อมาเมื่อเด็กชายพรหมเป็นอายุวี่งเล่นได้ถนัด ก, ก็สองสามปีนี่แหละการเล่นของเด็กชายพรหมก็เต็มไปด้วยยุทธวิธีชอบการรบสายชาติสองร้อยห้าสิบคนมาเล่นรวมกัน เอ า, าไม้มาทำเป็นอาวุธบ้างมาทำเป็นหน้ามไม้บ้างเอาไม้มาทำเป็นช้างขี่บ้างสมมติขึ้นเป็นม้าบ้างเร่งกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพราบการขนเปียงอาหารเร่งกเกษตรเวลานั้นการกเกษตรเป็นการสำคัญทำโรงงานสร้างอาวุธแบบเด็ก <c oughs> ก็สมมติขึ้นว่านี่เป็นเหล็กนี่เป็นแร่นี่เป็นทองคํานี่เป็นเงินนี่เป็นอะไรก็ตามก็ทําไปตามเรื่องเล่นกันแบบนั้นบรรดาผู้ใหญ่เห็นก็มีความชื่นใจยุทธวิธีของเด็กก็ไม่เลือกแบบแปลกซึ่งคาดไม่ถึงอย่างยิมียุทธวิธียนหนึ่งที่สมมติว่าถ้าข่าศึกมีฝีมือดีกว่า หนังเหนียวเวลานั่งเ้าจะพูดเรื่องหนังเหนียวน่าเราจะรบก็ฆ่าศึกเราจะทํำยังไงนั่นก็คือต้องฝึกการโดดโดดโสงูงแล้วฝึกกันจริงๆฝึกข้ามรถโดดโสงูงสูงก็ไปทีละน้อยทีะ้อยทั้งสูงข้ามหัวคนได้แบบสบายๆแล้วก็ฝึกตีข่าศึกด้านท้ายถอยได้สันดาบ เวลาลบยัวให้ค่าศึกโจมเปิดจังหว่ายข้าศึกฟันเมื่อค่าศึกโถมเข้ามาฟันตอนนั้นหลบแล้วก็โดดขึ้นสูงใช้สันดาบตีให้ถอยค่าศึกนี่หมายเน้ว่าค่าศึกหนังเหนียวแล้ะมีขี้มือดีวิธีนี้เขาก็เล่งกันแล้วต่อมาในเมื่อโตขึ้นอายุได้ประมาณสิบสองปีสิบปีเศษๆนะความจริงอาจจะไม่ถึงสิบปีดี ก็เริ่มใช้มันสมองติดตามสมเด็จพระราชวิดาไปที่ไหนก็มักจะถามพระสมเด็จพระราชวิดาว่านี่เขาทําอะไรกันนั่นทําอะไรกันแล้วเมื่อพ่อก็บอกว่าเขาปลูกผักปลูกญ้าในที่วงแคบๆทีน่น้อยๆนั่นก็ต้องปริวัติเปลี่ยนแปลงกันแต่ว่าเวลานี้รู้สึกว่ามีควา ม, วามอุ่นหนาฟ้าข้างพืชพันธัญญาหายก็ดี ทองก็ได้มากเงินก็ได้มากแร่ที่มีค่าก็ได้มากเจีงได้แนะนำวิธีแก่พระราชวิดาคือกราบทูลว่าการทำพืชพันธัญญาหารถ้าเราจะใช้แต่เฉพาะน้ำที่มาจากเทวดามันก็ไม่พอทางที่ดีให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่านี้ก็น่าจะขุดบ่อเป็นที่เก็บน้ำ แล้วก็เวลาฤโดูแรงจะได้ใช้น้ำในบ่อปลูกพูดพันธัญญาหารได้เพื่อจะขุดบ่อใหญ่ๆเวลาที่พูดกับพ่อคือเด็กคนนี้ไปทางไหนเด็กคนก็มานั่งล้อมทุกคนเห็นชอบด้วยอันนี้เป็นหลักประชาทิปไตยแทๆ้ๆไม่ใช่ขนาทิปไตยอันดาประชาชนฟังแล้วก็เข้าใจมีความเห็นด้วยก็ส่งข่าวกันไปว่าพวกเรา ว่าเด็กชายพระเจ้าซึ่งมาเกิดจะโปรดพวกเราให้มีความสุขเวลานี้อยากให้พวกเราขุดบอ่อเป็นจุดๆเป็นบอ่อใหญ่ๆเก็บน้ําเข้าไว้เอแล้วดูแลจะได้ไม่ขาดน้ําบัวควายจะได้กินคนจะกินปลูกผักปลูกหญ้าทํานาทําไร่กันได้เว้นว่าอันว่าคนทุกกลุ่มทุกหมู่บ้านก็แล้วกัน ทุกกลุ่มของหมู่บ้านต่างคนก็ต่างขุดสระขุดบ่อกันขึ้นเก็บน้ำเวลาดานน้ำหลากมาแล้วฝนมา ก, ก็ปลายกดว่าบ่อเต็มน้ำเวลาที่ฝนหมดไปน้ำก็ยังมีอยู่ใช้สะดวกทำผักสวนครวบเลี้ยงสัตว์กันนี่นึกถึงจอบคนแปลก เป็นอ น, นุนให้พืชพันธัญญาหานเป็นของดีเป็นการค้าออกไปภายนอกได้ดีตอนนี้ก็เกิดความอุนหนา้าค้างตอนอายุสิบหกปีมาตอนนี้เหล็กชายพรมเริ่มทำงานใหญ่ศึกษาพระราชวีนดาว่าไทยเราถ้าขืนว่าเป็นไทของขอมต่อไปความเป็นไทยก็ไม่มีเราก็ไม่มีความสุข เ้าก็บีบเขาคันทอนหนักนี่สิช่างตัวหนึ่งปีนี่ให้มาสิบปีก็ปรากฏว่าสองร้อยช่างสิ่งทั้งหลายเห่านี้เราทำเป็นอยากเงนแรงงานก็ไม่น่าจะให้เขาแต่พระราชวีดายเขากล่าวว่าเราเป็นผู้แพ้เขานี่ลูกลูกชายพร้อมยิ่งนี้กราบทนว่าต่อไปนี้เราจะไม่เป็นผู้แพ้ ดินแดนเขาเราอย่เพียงไหนเราจะขอยึดเอามาให้หมดและยิ่งไปกว่านั้นนอกจากนั้นเราจะยึดดินแดนให้มากกว่าที่มีโยไม่น้อยกว่าสี่เท่าเวลาที่คุยกันก็ไม่ใช่เวลาเผ้าจะเพาะไม่ใช่เวลาออกคนนางมันเป็นเวลาที่ไปนั่งคุยกันกันกบบรรดาประชาชนชาวบ้าน <c oughs> คือพระเจ้าพังรดาชท่านเสด็จเป็นนายท่านนุ่งกระกิงดำขาสั้นขาเลยเขานิดหน่อยแล้วใส่เสื้อดำมีผ้าขม้าดีไม่ดีท่านกับแบกจอบแบกเสียมท่านก็ทำทุกอย่างอย่างที่เขาทำกันไม่ใช่ไปนั่งชี้นิ้วเป็นเจ้าเป็นนายเวลาที่ไปไหนก็มีคนล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเสน่ห์ใหญ่คือเด็กชายพรหมโดยพระรูปพรหมกุมาร พ่อก็มาเนี่มันไม่เคยเด็กกันเนี่ยเนื้อเด็กชายพผมก็แล้วกันเด็กชายพผมไปไหนก็คนมีหมอบมีคนหมอบลาบข้าบแก้วเธอก็ต้องไวิ่งไปกราบเขาบอกคุณลงุงคุณป้าอย่ากราบผมเลยผมก็ลูกคนธรรมดาธรรมดา <c oughs> ผมก็เป็นลูกพ่ออย่ากราบผมทําไมแต่ทุกคนก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาเชื่อโหร วันเด็กคนนี้จะกู้ชาติเมื่อกล่าทวทูลพระราชวินดาว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันว่าต่อไปนี้คนไทยทุกคนควรจะเป็นนักรบสมเด็จพระราชวินดาก็บอกว่าตั้งแต่ลูกเข้ามาในคันเข้ามารดาคนไทยทุกคนเป็นนักรบหมดแล้วลกูกฝึกตืออาวุธกันแล้วเป็นอย่างดี ก็มีท่านผู้หญิงแก่ๆท่านแห่งคุณยายอายุ ป, ประมาณเกือบจะแปดสิบปีลุกเข้าดึงขวานออกมาจากหุ่บอกหลานเอ๋ยยายถึงแม้ว่าจะแก่แปดสิบปีก็ยังมีชีวิตชีวายังมีหัวใจถ้ายายจะต้องตายเพราะข่าขอมให้ตายยายพร้อมตายเพื่อความเป็นไทยแล้วยายก็แก่งขวานให้ดู เป็นอนวุวาบรรดาประชาชนเห็นว่าเด็กชายพรหมต้องการให้คนไทยทุกคนมีชีวิตเป็นอาหารเขาต้องการฟังอย่างดีว่าคนนี้จะเอาอะไรเป็นอนุแม่ทัพในกองเก่าๆก็ฝึกวิชาการรบกันทุกคน ใ น, นคนไทยก็ไม่ต้องเกรีนเป็นได้เพียงว่าพอดิ้งข่าวว่าเด็กชายผมนั่กรอบผมกุ ม, มารต้องการฝึกวิชา ย, ยุตวิธีเขาพร้อมกันอยู่แล้วจึงร่วมกันฝึกทันทีเป็นย่อมๆแต่ก็ต้องปิดบังขอม <c oughs> ยุตวิธีก็แบ่งเป็นพลราบพลมา้าพลช้างแล้วก็พลดาบพลหอกแล้วก็พลธโล แยกย้ายกันออกไปเมื่อบันดาประชาชนคนไทยพร้อมใจกันแบบนั้นเชน่นที่เรียวไม่ต้องเกลีย น, เ, นยเขามาขับด้วยกำลังใจเด็กชายพรมยิงขอให้พระราชวินดาอาศัยมา ป, ปรึกษาพระราชวินดาเวลาที่มีคนมากๆว่าถ้าเราจะรบกับเขานี่ถ้าเขาเวลาจะดูแรงเขาปิดน้ำเราตาย ควรจะปลูกขุดสะใหญ่ๆไว้ในบริเวณเขตจิตสะใช้สะให้ใหญ่ให้มากสมมติว่าถ้าเราโถ ก, กักบริเวณหนึ่งปีก่อนน้ําจะหลากน้ำของเราจะพอกินพอใช้พอจะทําการเกษตรถ้าสมมติว่าถูกข้าวสิบปิดล้อมแลบริการอีสอการเกษตรของเราต้องสะสมหารไว้ให้มากโดยเพราะอย่างยิ่งมีข้าวกัะเนื้อสัตว์ที่ทําเค็ม ว่าถ้าเกิดการรบแก่งขึ้นมานี่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเราจะได้ไม่ขาดทหารเอาชาว บ, บ้านมาได้ฟังลูกชายพูดกับพ่อก็เหมือนกับเป็นคําสั่งต่างคนต่างทำขุดสะจำจุดต่างๆสิบเจ็ดสะตามหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านขยายสายให้โตขึ้นเชื่อมน้ําต่างๆติดต่อกันได้ทุกสะเป็นลําลางเล็กกเลย แล้วก็ทำลำรานจากมันํำของเข้ามาเชื่อมสายใหญ่เมื่อน้ำเต็มสายใหญ่ก็ระบายไปทิ้งสาเล็กเป็นน้นบริเวณทั้งหมดเต็มบริน้ำเมื่อพูดของกองทัพช้างกองทัพไม้ก็เป็นของไม่ยากต่อมาเมื่อคนทุกคนตามตา ม, ตามนั้นรมกุ ม, มารยินได้กราบทูลพระราชวิดา <c oughs> ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอสมเด็จพระราชวินดาไม่ต้อส่องสวยเวลาพูดก็พูดกลางประชาชนพระราชวินดาว่าตัดว่าถ้าไม่ส่องสวยเขาก็รบเสร็โลกเกาถือว่าแข็งเมืองในชายพรลมก็บอกว่าเราพร้อมรบเราไม่พร้อมรับแต่ว่าเราพร้อมรุก พระราชวินดาก็เตือนว่าลูกรักกําลังพลของเขาเนี่ยกำลังทหายของเขามันเท่ากับกําลังพลคนของเราทั้งหมดนะลูกนะโดยใช้พรมย์ในกราบทูลพระราชวินดาว่าการแพ้การชนะนี่ไม่ใช่อยู่ที่กําลังคนถ้ารบกันด้วยกําลังคนหรือว่ากําลังอาวุธก็ถือว่าเป็นการแพ้ชนะที่ไม่เด็ดขาด การรบจริงๆต้องใช้กำลังคนด้วยกำลังปัญญาด้วยกำลังความสามารถขีด้วยความเด็ดเดี่ยวลูกมั่นใจว่าการรบคราวนี้ถ้าเยื่อเพืงมีขึ้นเราต้องชนะแต่เราไม่ใช่เป็นฝ่ายเข้าไปตีเขาถ้าเขามาตีเราเราก็ตีเขาถ้าเขาไม่ตีเราเราก็ยังไม่ตีเขาเราจะพร้อมรบเท่านั้นแต่ว่าต้องพร้อมรับแล้วก็พร้อมรบ เป็นอันว่าพระราชบิพนธ์ก็ตามใจเชื่อโหนหันเข้็ไปถามโหนว่ายังไงท่านพญาโหราธิบดีท่านพญาโหราธิบ ด, ททดีท่านก็ยิม้มท่านก็บอกว่าเห็นชอบด้วยกับชมกุ ม, มารพระเจ้าค่ะแ้เวลานี้เป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่ไทยคนจะเป็นอิสรภาพ นาโหนหก็ลงเลขฉับฉับเรื่องการรบแพ้สงครามไม่มีอีตอนนี้เองเขานั่งพูดเป็นกลางทุ่งกรนาคนรอบมามากไปไหนคนก็มาโมูคนไทยทุกคนก็ก็ะจายข่าวกันไปว่าไทยเตรียมรบไทยจะเป็นอิสรภาพไทยจะไม่เป็นท่ายองขอมไทยจะไม่ให้ทองคําแก่ขอมเราพร้อมรบ ถ้าเราแข็งเมืองมเอมเื่อไรเคารพเมื่อไรเราพร้อมรบเมื่อ น, นั้นเป็นวันไทยทั้งชาติแต่เด็กขึ้นมาใหญ่ยิ้มแย้มแจมสายอาธหานเรื่อ ง, องคอยเวลามาสิบหกปีแล้วคอยคํานี้มาสิบหกปีว่าเมื่อไรจะรลั่นกรองลบในวาจาของผมกุมารอลูกหลักของพ่อผ์กุมารจะเก่งแล้วไม่เก่งจะดีแล้วไม่ดี เทปนัานนี้ก็จะหมดสีแล้วในหลกรักให้าฟังกันด้านหน้าต่อไปนะสำหรับน้านนี้ก็ข อ, อยุติวาตะเกียงเท่านี้